namo tassa bhagavato bhagavato samma sammudha sam namo tassa b h a g a v a t ร b h a g a v a ม o s a m u d d h a s a พุทธังธรรมังสังฆังนามสางมีลวันนี้วันวันวิสาขาวันที่เราเลึกถึงและฉลองวันประสูติวันตัสรู้และวันพาเสด็จพระนิพพานพระพุทธองค์ตมาจึงเห็นว่าเป็นโอกาสอันเหมาะสมที่เรา จะได้พิจารณาว่าพระพุทธองค์สันท่านทรงตัดสรู้อะไรมั่งที่ว่าตัดสรู้นั้นมีความหมายอย่างไรท่านปั่นลุธรรมท่านปัรลุอะไรที่เรียกว่าธรรมะหรือธรรมพระพุทธองค์ ทัดว่าสิ่งที่ท่านได้บรรลุหรือสิ่งที่ท่านได้เข้าถึงหรือสิ่งที่ท่านได้รู้แจ้งในวันวิสาขบูชานั้นก็คือความ ความจริงของธรรมชาติและความจริงของธรรมชาตินั้นคือความจริงของมนุษย์นี้เองบางครั้งท่านจะเรียกว่าโลกท่านบอกว่าท่าน ตรับสรู้แล้วท่านจึงเข้าใจว่าโลกคืออะไรโลกมันเกิดอย่างไรโลกมันดับอย่างไรโลกมันมีรสอร่อยหรือว่าสิ่งที่ ดีสิ่งที่น่าเฉิมชมอะไรมั่งแต่โลกมีโทษอะไรมั่งแล้วท่านได้ค้นพบนวิธีการรถทางออกจากการติดพันกับโลกท่านบอกว่า กนหน้านั้นยังไม่รู้สิ่งเหล่านี้ยังไม่เข้าใจในเรื่องของโลกก็ยังไม่ไม่ได้จัดสรู้แต่การจัดสรู้คือการรู้สิ่งเหล่านี้หรือว่าโลกมันคืออะไรมันเกิดยังไงมันดับยางไรมันมีอาสาท ะ, ะคือรสอร่อย อย่างไรบ้างมีโทษคืออธินาวะอย่างไรมันมีนิสรณะคือทางออกอย่างไรบางทีราไม่ได้ผูดถึงโลกแต่ทำผูดถึงปัญจขันธ์คือรูปเวทนาสัญญาสังขารบิญญาณซึ่งทำให้เราได้เข้าใจว่าในคำสอนพรพุทธเจ้าคำว่าโลกกับคำว่า ปัญญขันก็คำว่ากายและใจมีความหมายอันเดียวกันในภาษาธรรมะนั้นโลกไม่ได้หมายถึงสิ่งที่เราคนสามารถมองเห็นจากยานอวกาศโดยจากโลกประจันไม่ใช่โลกที่เราเรียนกันอยู่ในภูมิศาสตร์แต่เป็นโลก ในความหมายของประสบการณ์ของแต่ละคนเราทุกคนมีโลกส่วนตัวซึ่งเราสร้างขึ้นมาโดยอวิชชาและตำหาแต่ถ้าเราจะสรุป ง่ายๆว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ปัจลุอะไรยมั่งแล้วก็ตอบได้ว่าท่านปัจลุอริยสัจสี่ทุกสมูไทยนิโรธมักแล้วในสีข้อนี้คอที่สำคัญที่สุดคือ้อแรก คือทุกเพราะการกําหนดรู้ทุกอย่างแท้จริงคือการละสมุทัยการทำนิโรธให้แจ้งการเจริญมรรคให้ถึงพร้อมอยู่ในตัวฉะนั้น สิ่งแรกที่อยากให้ผวกเราได้พิจารณาวันนี้ก็คือการตัดสูุการบรรลุธรรมคือการกาหนดรู้ทุกข์ฉะนั้นผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมยังไม่ได้กาหนดรู้ทุกข์เราทั้งหลายเป็นทุกข์แต่ไม่รู้จักทุกข์ ที่นี้ฟังแล้วมันคงจะมีหลายคนที่คาดคารว่าถ้าเป็นทุกเราก็รู้ว่าเราเป็นทุกข์หรอกมันไม่ใช่เรื่องลึกหลับอะไรใครๆก็รู้สาวโศกเสียใจใครจะไม่รู้ว่าเป็นทุกข์นะ รู้สึกเหงารู้สึกว่าเวใครจะไม่รู้รู้จักว่าตัวเองเป็นทุกข์กระสับกระสายกระวนกระวายมันไม่ยากหรอกใครๆก็รู้ว่าเขาเป็นทุกข์แต่การรู้ว่าตัวเองเป็นทุกข์ในลักษณะนี้ไม่ใช่การกาหนดรู้ทุกข์หรือทุกการิยสัต์ ผมเป็นคนละเรื่องฉันขอให้เรามาดูคำว่าทุกข์เสืยอก่อนปัญหาในการศึกษาพระธรรมวินยัยของพุทธองค์ ของคนไทยกับของชาวตะวันตกมันจะมะีความแตกต่างกันอยู่ขออ้อหนึ่งชาวตะวันตกเรามาพบคำว่าทุกข์คำว่าปุญคำว่าบาปคำว่ากรรมคำเทคนิคทางพระพุทธศาสนา อาจจะงงงงเพราะว่าในภาษาของเราในศาสนาเดิมของเราวัฒนธรรมเดิมของเราไม่มีเลยคนเซ็์แนวความคิดอย่างนี้ไม่เคยมีอันนี้จะเป็นปัญหาแล้วในสมัยก่อนผู้ที่แปล พระไตรปิตกจากภาษาบาลีเป็นอังกฤษหรือเป็นภาษาเยอรมันแระภาษาทางยุโรปมักจะเป็นแค่นักวิชาการไม่ใช่นักปฏิบัติไม่ใช่พระและบางทีมีความเชื่อถือทางศาสนาคริสเป็นเป็นพื้นฐาน ฉันคำแปลมักจะได้รับอิทธิพลจากความเชื่อเก่าทั้งที่รู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างซึ่งทำให้การเสนอความทัศนะหรือปรัชญาทรพุทธศาสนาพิพีพยนไปแล้วก็ทำให้มี คนจำนวนไม่น้อยที่มีอคติต่อพุทธศาสนาเช่นที่เข้าใจว่าพุทธศาสนามองโลกในแง่ร้ายหรือว่าคือเข้าใจว่านิพพานคือความดับก็เห็นว่าเป็นเป็ น, ปนาศาสนาที่ที่อยากทำลายทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพวก เป็นพวกนักทิขิทิเรียกว่าพวกที่ต้องการทำลายหรื อ, อเขาจะเขาจะค้านว่าพุทธศาสนาสอนอว่าเราเป็นทุกข์เพราะความอยาก แต่ก่อนที่จะดับทุกข์ได้ก็ต้องอยากดับทุกข์ถ้าความถ้าเราเป็นถ้าเราตรงอยากดับทุกข์เราก็หนีไม่พ้นจากความอยากมันก็ขัดแย้งอยู่ในตัวทุกเพราะอยากแต่ถ้าไม่อยากมันก็ดับทุกข์ไม่ได้เขาจะไปพากวิจารณ์ต่างๆนานา เพราะผู้แปลก็แปลไม่ตรงหรือไม่ได้อธิบายหรือไม่ได้เข้าใจว่าพุทธศาสนาแยกระหว่างความอยากที่เป็นกุศลที่เรียกว่ากุศลละันทะและความอยากที่เป็นบาปที่ไม่ดีที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ที่เรียกว่าตัณหาไม่ใช่ความอยากทุกอยาก่างนะต้องเป็นตัณหาเสมอ อันนี้เป็นการยกตัวอย่างปัญหาในการเข้าใจคําสอนพุทธเจ้าของคนต่างชาติคนไทยได้เปรียบไหมอาก็ได้เปรียบมั่งนะเพราะว่าแม่คนที่ไม่ได้เข้าวัดเข้าวาก็เคยได้ยินคําว่าตัณหาเคยได้ยินคําว่ากรรมคําว่าบุญคําว่าบาปปัญหาของคนไทยต่างกัน ปัญหาของคนไทยก็คือเราได้เอาคําเทคนิคของพระพุทธศาสนาเอามาใชา้และความหมายก็เพี้ยนไปการเราใช้คําว่ากรรมไม่เหมือนที่พระพุทธองค์ทรงใช้ใช้คําว่าบุญใช้คําว่าบาปใช้คําว่าอารมณ์หลายๆคา ที่มีความหมายในประใจพิดอกอย่างหนึ่งแล้วมีความหมายในภาษาพูดของคนไทยอีกอย่างหนึ่งฉะนั้นคนฟังเทศบางที่ก็เข้าใจผิดเพราะว่าผู้เทศก็ใช้ภาษาเหล่านั้นรศเหล่านั้นในความหมายทางาศาสนาแต่ผู้ฟังก็ฟังตามความหมายของชาวบ้าน ก็เลยไม่แน่ใจว่าใครเสียเปรียบใครเพราะว่าอย่างน้อยชาวชาวต่างชาติก็รู้ตัวว่าไม่เข้าใจแต่ที่ร้ายกว่านั้นคือคนที่คิดว่าเข้าใจแต่ไม่เข้าใจจริงคำว่าทุก เป็นตัวอย่างคำว่าทุกข์ในความหมายของชาวบ้านไม่เหมือนความหมายของพุทธเจ้าในความรู้สึกของคนทั่วไปคำว่าทุกข์ก็คือทุกขเวทนาทางกายและใจ การทรมานกับไม่สบายกายความไม่สบายใจความเศร้าโศกเสียใจความระทมอมขืนความวิตกกังวลความวาดกลัวความความกลัดกลุ่มความอะไรต่อะไรเนี่ยที่มันมันเป็นความรู้สึกที่รุนแรง เอาเข้าใจว่านี้คือทุกข์และก็ไม่ผิดที่เดียวเพราะเป็นแง่หนึ่งแลอเป็นนายหนึ่งของคำว่าทุกข์แต่ทุกข์ในความหมายของกาะที่พระพุทธองค์ทรงใช้บรญจามีความหมายที่กว้างกว่านั้นและลึกกว่านั้น แล้วที่ที่ยากก็คือมีความหมายดังเกือบเกือบสามระดับหรือสามสามอย่างด้วยกันแม่แมในปาลีก็ไม่ใช่ความหมา ย, ยาเดียวกันเช่นความหมายของคำว่าทุก ในไตรละคืออ น, นิชังทุกขังอนัตตาก็อย่างหนึ่งความหมายของคาว่าทุกขในอริยสัจสีกับทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็อย่างหนึ่งไม่ตรงกันนะและความทุกข์ในความหมายของเวทนาทุกขเวทนาก็ความหมายอย่างหนึ่งถ้าเราไม่เข้าใจอย่างนี้ ฟังเทศห ร, หรือว่าอ่านคาสังสอนพุทธองค์จะสับสนเช่นคำว่ามีแต่ความทุกเกิดขึ้นมีแต่ความทุกตั้งอยู่มีแต่ความทุกต่าไปแล้วมันถ้าเราเอาความทุกว่าหมายถึงเวทนาก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าบอกว่ามีแต่ทุกขเวทนาเกิดขึ้นสุขเวทนาไม่มี อันนี้ต้องขางทันทีว่าไม่จริงมันจะดูเหมือนก็ว่าคำสอนพุทธองค์ขัดแย้งอยู่ในตัวเออย่างที่พระพุทธองค์สักถามพันชาวคีว่าสิ่งทั้งหลายตำบ่งเที่ยงหรือไม่เที่ยงท่านก็ตอบสิ่งเดียวกันว่าไม่เที่ยงพระเจา้าค่าแล้วสิ่งที่ไม่เที่ยง ทุกข์รสุขตอบทันทีเลยทุกพระเจ้าค่ะสิ่งที่ไม่เที่ยงต้องเป็นทุกข์เสมอไปหรือจริงหรือเปล่ามาลองคิดดูสความทุกข์ที่นี่หมายถึง ความทุกข์ในอริยสัจว์ความทุกข์ที่เป็นเวทนาหหรือความทุกข์ในใจหลักมนี่ต้องถามอย่างนี้เราจึงจะเข้าใจนี่ขอให้อธิบายว่าข่าทมาจะขอบใช้คำว่าทุกขะดีกว่า เพื่อจะได้ไม่สับสนทุกขะคือความทุกข์นะในความหมายที่กว้างที่สุดก็คือความหมายในไตรลักษณ์อ น, นิจฉังตุคังอนัตตาพระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าพัธฐาคตบังเกิดขึ้นในโลกก็าตามไม่บังเกิดขึ้นในโลกก็าตาม สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือท่านทรงย้ำว่าอันนีชังทุกข์กางอนัตตาไม่ใช่ปรัชญาที่พระพุทธองค์ทรงปัญญัติเอาไว้แต่พระพุทธองค์ทรงค้นพบความจรงิงความจริงที่เนื้อภาษาแต่เสร็จแล้ว ทั้งต้องหาภาษามาพูดเพราะว่าท่านต้องการเผยแพร่ตร้องการให้คนอื่นที่มีทุลีอยู่ในดวงตาน้อยจะได้เห็นดามจะได้บรรลุ ด, ดามฉะนั้นท่านต้องพยายามอธิบายแล้วท่านก็เลือกสามคันนี้สามคำนี้นะ ก็เห็นว่าเป็นเอกลักษณ์หรือเป็นสิ่งที่ชัดเจนในความจริงที่ท่านใดคนพบและธรรมก็บอกว่าการที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอ น, นิจจังทุก ข, ขังอนัตานั้นมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่นายจะไลมา เป็นอย่างนี้ทุกวันนี้อ น, นาคตการ น, นะมันก็จะเหมือนกันอีกพันปีอีกล้านปีอีกพันล้านปีสิ่งทั้งหลายทั้งปวงต้องไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตาคาว่าไม่เที่ยงก็เข้าใจไม่ยากว่ามันเปลี่ยนแปลงมันปรวนแปรอยู่ตลอดเวลา อันนี้ก็คงไม่มีใครคัดค้านแต่ถ้ามาทุกขะในที่นี้ไม่เกี่ยวกับมนุษย์เราเลยมนุษย์จะมีหรือไม่มีไม่ ม, มเกี่ยวกับความทุกข์หรือว่าทุกขะในความหมายเนี่ยโบราณอาจารย์ท่าน อธิบายความทุกข์หรือทุกขะอันนี้ว่าทนได้ยากคนหลายๆคนก็เข้าใจว่าความหมายอันนี้หมายถึงว่าเราเราทนสิ่งสิ่งได้ยากสิ่งนั้นเป็นทุกข์แต่นั้นไม่ไม่ใช่ความหมายเดิมในปาเล ไม่ได้หมายถึงความรู้สึกของมนุษย์เลยแต่หมายเป็นสำนวนปาลีหมายถึงว่าสิ่งทั้งหลายทนอยู่ในสภาพเดิมคงมันไม่ได้คือว่ายู่นิ่งไม่ได้ไม่มีสิ่งใดที่จ ะ, ะไม่ต้องเปลี่ยนแปลง และเมื่อมองในแง่นี้แล้วจะเห็นว่าความไม่เที่ยงด้วยการที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงมันเป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงถูกเปลี่ยนแปลงนดยความเปลี่ยนแปลงถูกปีบคั้นด้วยความเปลี่ยนแปลง เพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกทั้งที่มีวิญญาณครองที่ไม่มีวิญญาณครองล้วนแต่เป็นหน่วยรวมของเหตุปัจจัยหลายๆอย่างเหตุปัจจัยแต่ละแต่ละสิ่งแต่ละอย่างก็มีทีงมีความเกิดขึ้นดับไปเป็นธรรมดารั้นวยรวม เรา่นี้มันจึงต้องมีสภาหรือว่าขัดแย้งอยู่ในตัวตลอดเวลาและต้องขึ้นอยู่กับสิ่งนอกตัวของมันตลอดเวลาชินต้นไม้เป็นต้นต้นไม้เป็นทุกข์นะแต่ไม่ใช่ว่ามีความรู้สึกเป็นทุกข์แต่ทุก เพราะถูกเปลี่ยนเปลี่ยน้วยความเปลี่ยนแปลงต้นไม้มันมันไม่สามารถที่จะอะยู่นิ่งได้มันต้องมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันต้องดูดน้าจากในดินคืนไปบำรุงมันต้องรับพลังจากแสงแตดมันก็ต้องมีการ เปลี่ยนแปลงต้องมีการทิ้งปลายไม้บ้างต้องมีการงอกออกไปบ้างต้องมีการผลิตผลไม้อะไรบั่งมีความเปลี่ยนแปลงทันยกว่าทุกะนะมันไม่ได้เกี่ยวกับความรู้สึกของมนุษย์ มันเป็นแง่หนึ่งหรือเป็นผลของการที่เสียงทั้งหลายตามปวงไม่เทีย่ยมและเมื่อมันไม่เที่ยงเมื่อเป็นทุกข์มันก็ไม่มีอะไรเลยที่ว่าเป็นเกณฑ์สารสาระที่ไม่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงทุกส่วน ไม่มีสวนใดที่เราสามารถบอกว่านั่นคือแกนแท้ของต้นไม้ไม่เปลี่ยนแปลง น, น, นี้เราเรียกว่าอ น, าตานัตตาท่นพระพุทธองค์ท่านทรงสัมผัสความจริงแล้วท่านก็อยากจะที่บา ย, ยาจะถ่ายทอดให้คนอื่นได้ทราบว่าความจริงของ ของธรรมชาติความจริงของสิ่งทั้งหลายมันเป็นอย่างไรท่านก็นเลือกสิ่งเหล่านี้มามามาพูดว่าสิ่งทั้งหลายนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานนเรียกว่าอนิจจังทุปีขันด้วยการเปลี่ยนแปลงนั้นแล้วก็ไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ในในสิ่งทั้งหลายที่ไม่เปลี่ยนแปลง เันจะเห็นว่าอันนี้จังตูกขังอนัตตามันมันอยู่ด้วยกันมันแยกออก่อา ก, กันไม่ได้อันนี้คือความจริงของธรรมชาติที่ว่างๆโดยทั่วไปใน่าสามัญญลักษณะจากเล็กสุดไปสึดใหญ่สุดล้วนแต่เป็นอย่างนี้ ใครจะเห็นก็ตาไม่เห็นก็ตามันก็อยู่อย่างนี้ไม่เปลี่ยนแปลงอากาลิเกแต่ความทุกข์ในอริยสัจคือผลของอความจริงของธรรมชาติที่ได้กล่าวมา ต่อชีวิตของมนุษย์โดยเฉพาะในเมื่ อ, อสิ่งทั้งหลายตาปวงมีสมมัญญาลักษณะที่ว่าไม่เทียมเป็นทุกข์อนัตตานั้นเรียกว่าเป็นสิ่งที่มีภัย เป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นสิ่งที่พร้อมที่จะทำให้มนุษย์เป็นทุกข์อยู่เสมอท่านปังที่ท่านจึงจำกัดความมาทุกข์ว่าสิ่งที่เป็นที่รองรับรือเป็นสิ่งก่อให้เกิดความทุกข์ในจิตใจของมนุษย์ แต่ความทุกนี้ความทุกที่เป็นอริยสัตว์ไม่ใช่ของตายตัวของธรรมชาติเหมือนทุกขะที่เป็นไตรลักษณ์เพราะทุกที่เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์ ทุกอาริยสัตว์จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีอวิชชาและตัณหาเป็นสิ่งเป็นเป็นตัวการและผู้นำในการเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้น นันธรรมชาติพร้อมที่จะทำให้เราเป็นทุกข์ถ้าเราไม่ฉลาดหรือถ้าเราขาดปัญญาแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาทุกอริยสัตว์ก็ไม่เกิดสันพระพุทธองค์ยังอยู่ในโลกแห่งความทุกข์ แต่ท่านเองก็ไม่เป็นทุกข์ท่านก็รับรู้ต่อนะทุกข์คือความการที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงทุกข์ปีบคันด้วยความเปลี่ยนแปลงท่านก็เห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงพร้อมที่จะแตกสลายอยู่ทุกเวลานาทีแต่ท่านก็ไม่ เป็นทกุกข์กมันทำไมธรรมชาติจึงมีผิดมีภัยกับคนที่ยังไม่มีปัญญาเพราะผู้ที่ยังมีอภิชาอยู่ยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจสิ่งที่ตัวเองกำลังเสวยหรือกำลัง รู้ระกำลังสัมผัสตามความเป็นจริงย่อมมีตัณหามีความอยากมีความหวังในสิ่งที่ตอนสัมผัสเพราะลึกๆในจิตใจของมนุษย์สิ่งที่มนุษย์ต้องการมากที่สุด คือความสงบคือความสุขแต่มนุษย์เราคิดผิดเข้าใจผิดไปแสวงหาความสงบ ไปแสวงหาความมั่นคงหรือความปลอดภัยความสุขในสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้ความสงบกแก่เราไม่ได้ให้ความสุขแก่เราไม่ได้ให้ความปลอดภัยแก่เราไม่ได้ เพราะอะไรผมไม่มัน่นคงมันไม่คงที่มันพร้อมที่จะยอยยับพร้อมที่จะแดกตับอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่จะให้ความสงบที่จะให้ความสุขที่แท้จริงแก่เราก็คือสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงแต่เราไปหาสิ่ง หาความไม่เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานี่คือความคิดผิดของเราเช่นหา คำตอบปัญหาชีวิตและหาความสงบในสุขเวทธนาในความสุขและความสนุกสนานเป็นตน้นรหาในความรักเป็นตน้นอันนี้คือความวิปลาสคองมนุษย์ น, นี่คนก็ถูกหลอก ทั่วโลกไม่ว่าประเทศไหนก็ตามถูกหลอกว่าความรักเป็นคำตอบตอบปัญหาชีวิตทั้งหลายทัางปวงแต่ความรักก็เป็นสังขารความรักเทียงหรือไม่เทียง ไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะและเมื่อความรักมันไม่เที่ยงความรักเป็นสุขและเป็นทุกข์เป็นทุกข์พระเจ้าค่ะและสิ่งใดที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรไหมเหมาะไหมที่จะถือว่าเป็นเราเป็นของเราไม่เหมาะไม่ควรเลย พระเจ้าค่ะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งพวกมันก็เป็นไปตามเรื่องของมันที่จริงมันก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้ใครเป็นทุกข์หรอกแต่เราไปหวังอะไรต่ออะไรจากสิ่งเหล่านั้นเกินที่มันจะให้เราได้ มันก็เป็นความไม่ยุติธรรมด้วยสิ่งที่มีรสเค็มมีรส เ, เผ็ดเราก็หวังให้มันหวานมันมันไม่หวานเราจะไปว่ามันได้ไหมมันไม่ได้มันมันเป็นธรรมชาติของมันที่จะเป็นอย่างนั้น ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาถ้าเราสัมผัสมันแล้วเราอาจจะได้ทุกขเวทนามัง่งสุขเวทนามัง่งอทุขมาสุขเวทนามัง่งแต่ถึงแม้ว่ามันให้ความสุขแก่เรามันเปลี่ยไปไม่ได้ ที่จะหายความสุขตลอดกาลนานอันนี้ไม่ใช่ปรัชญานะมันเป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตประจำวันของเราทุกคนอลองลองคิดดูสิว่ามีอะไรไม่ทีเคยให้ความสุขแก่เรามากๆเลย คงจะมีนะแล้วมาคิดดูที่ว่าหลังจากเราได้มีความสุขกับสิ่งนั้นกับความรู้สึกนั้นครั้งแรกต่อมาเป็นยังไงชินใช่ไหม ชินแล้วก็ชาแล้วก็เฉยแล้วก็เบื่อไม่ว่าเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นโพธพภะเป็นธรรมอารมณ์เหมือนกันหมดความสุขก็ต้องค่อยๆเสื่อมไปมันต้องค่อยๆกรอยไป คนไม่เข้าใจก็เลยว่าวุ่นคุนวัวทำยังไงมันจึงเจตีเรียกความสุขนังกลับมาใหม่หรือว่าที่จะทำให้มันยิ่งกว่านี้บางที่สุขแล้วก็ยังไม่พอใจนะแม้อย่างนี้ดีมึกมากเลยแต่เมื่ออยากจะให้มันตีกว่านี้นิดหน่อยสุขกว่านี้นิดหน่อย เมื่อเราสัมผัสอะไรก็ตามมันก็ยอมมีความรู้สึกว่ามันยังไม่ถึงที่สุดมันยังไม่ใช่สิ่งที่เรากำลังแสวงหาอันนี้คือความระคายเคืองของคนที่ยังหลงโลกอยู่ เพราะว่าแสวงหาที่ไหนอย่างไรมันก็ยังไม่ใช่แล้วก็คิดว่าอีกอีกสักอีกสักนิดหนึ่งลองดูอีกสักครั้งหนึ่งมันอาจจะได้อยู่ด้วยความหวังทุกเท่าไหร่ฮะมันก็ยังเอาความหวัง เป็นที่พึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็ชอบเอาหนูมาทดลองรุดว่าเขาเอาเนื้อแข็งหรือว่าเอาอะไรที่หนูชอบกินเอาไปไว้ที่อ่ ที่แห่งในแห่งหนึ่งแล้วก็ให้หนูไปเอามันทีต้องเดินเข้าเขาเมยเท่าทางที่มันสลับซับซ้อนเดินทางด้วยความยากลำบากเพื่อจะได้สิ่งที่มันต้องการเมื่อมันเกิดนิสัยมันรู้ว่าได้ยินเสียงระคัง ก็จะได้กินแล้วก็เดินเข้าไปเหมือนกับพระได้ยินเสียงระคังก็รู้ว่าจะได้ชันนำปา น, นะหนูก็ได้ยินเสียงระคังก็ได้ใกินเนยแข็งก็เดินไปไ ป, ไปเหมือนมันมันเกิดนิสัยแล้วนักวิทยาศาสตร์ก็เลยเอาเนยแข็งแล้วเอาอาหารไปทิง้งตีระคังแต่ไม่มีอะไรให้มันกิน เขาก็อยากทราบว่าหนูเขาจะเขาจะทนความทุกข์ทรมานกี่ครั้งก่อนที่มันจะเบื่อครั้งแรกไปเห็นว่าไม่มีอะไรกินอันก็ไม่เข้าใจงงงงอยู่ขอตกเดินกลับต่อมาได้ยินเสียง เอจะไปดีไหมเนาะนาจะไปครั้งนี้ก็ก็คงจะมีแน่ไม่เคยขาดไปครั้งที่สองก็ไม่มีอะไรหนูมันจะไปบางที่หาหกครั้งมันจึงจะได้หมดหวังแล้วได้ยินเสียงรักางก็เลยเฉยขี้เกียจจะไปทนความทุกข์ทรมาน นี่เลยคือความฉลาดของหนูต่างกับมนุษย์เพราะมนุษย์พร้อมที่จะทอนความทุกข์ทรมานด้วยความหวังทงั้งๆที่ไม่เคยได้อะไรเลยหนูมันก็ยังฉลาดที่ว่ามีความมีสัญญาว่าเคยได้ สิ่งที่มันตรงการแต่มนุษย์เราไม่เคยได้แต่ยังมีความหวังอยู่ไม่รู้เอาความหวังมาจากไหนนักพระทุกศาสนาตั้งแต่ตั้งแต่สมัยโบราณล้วแต่เดือนแต่บอกที่แจ้งแต่มนุษย์เราไม่เชื่อเชื่อความอยาก เชื่อความโง่กของตัวเองมากกว่าที่จะเชื่อนักปราดด้วย prasada ของตนก็เลยวิว่งตามความรู้สึกของตัวเองตลอดเวลาโดยไม่รู้จริงๆว่าตัวเองต้องการอะไรต้องการความสุขความสุขคืออะไรตอบไม่ได้ ดูแต่ว่ายังไม่ได้ฉะนั้นรูปเสียงกลิ่นรสโพธนาพัธรรมอารมณ์เป็นสังขารสังขารคือสังขารไม่ดีไม่ชั่วมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้น แต่เล่านี้แหละที่ทำให้มันเสียเพราะว่าเราตรงการที่จะได้ความสงบตรงการที่จะได้พ้นจากความทุกข์ด้วยการไปสัมผัสสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้มันไม่อยู่ที่ธรรมกับมันรูปก็แค่รูปเสียงก็แค่เสียงกลิ่นก็ได้แค่กลิ่นรสพุทธภาภิษฐมันก็แค่นั้นแหละ จะไปเอาอะไรนักหนากับสิ่งเหล่านี้พุทธองค์จริงสอนให้เราดูให้เรารู้ให้เราเห็นความจริงท่านไม่ได้มองโลกในแง่ร้าย ถ้าท่านให้เรากล้าดูความจริงถามว่าเราทุกวันนี้เราตรงการอะไรจะชีวิตของตนเป้่าไมายชีวิตมีไหมเราตรงการอะไรและทุกวันนี้เรากำลังแสวงหาสิ่งที่เราตรงการที่ไหนกับสิ่งใดและเราได้หรือยังสิ่งที่เราตรงการ ในที่ผิดเหมือนกระลุงพ่อท่านบอกว่าเหมือนคนตกปลาในหนองที่ไม่มีปลาจะขยันมันเพียงเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จ นั้นทุกจะเกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์ในเมื่อสัมผัสกับสิ่งที่เป็นทุกข์โดยธรรมชาติด้วยจิตใจที่ขาดความรู้ขาดความเข้าใจขาดความรู้ขาดความเข้าใจที่ไหนตัณหาก็จะแทรกแทงเข้าไปอยู่ในตรงนั้น จะไปครอบงำจิตใจอยู่ตรงนั้นตันหาคือความอยากรูปเสียงกลิ่นรสโผทพธรรมอารมณ์อยากทำไมพอรู้สึกว่าตัวเองขาดอะไรสักอยาก่างแล้วมีความคิดงมงายว่าได้เห็นสิ่งที่สวยงามได้ได้ยินเสียงเสียงที่เพราะได้กลิ่นที่ หอมได้รสที่อร่อยได้สัมผัสที่น่าปราทันาได้ความคิดได้อารมณ์ทั้งใจที่ดีแล้วความรู้สึกว่าขาดว่าพร่องนั้นมันจะหายไปแต่มันไม่หายและการแสวงหาสิ่งเหล่านั้นนั่นแหละเป็นสิ่งที่ทําให้ยิ่งพร่องมากขึ้นยิ่งขาด ยิ่งว่างเปล่ายิ่งเปล่าเปลี่ยวเมื่อทำไมรู้สึกแปลกแยกจากจากธรรมชาติคนตัวเองลุงพ่อท่าน มักจะมีคำสอนที่สั้นๆใช้ภาษาง่ายๆในการสอนพระฝรั่งพวกเรามาใหม่ๆยังพูกภาษาไทยไม่มากเราก็ยังได้ของดีจากท่านแล้วก็ได้คำสอนสั้นๆไม่กี่คำแต่ว่าพอที่จะ เอาไปใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติหรือเป็นอาวุธในการทำลายกิเลส ข, ของตนตลอดชีวิตเลยเช่นคำว่าไม่แน่คำว่าทุกข์เพราะคิดผิดเป็นต้นถ้าเกิดมีอีกคำหนึ่งที่ท่านเคยสอนที่มีความหมายที่ลึกซึ้งพิจารณา ทั้งชีวิตก็ยังไม่ยังไม่ถึงยังไม่หมดคำนี้ก็คือว่าเห็นทุกก็ไม่ทุกยังไม่ความเป็นอัริยะของลุงพอนะ่อฮะคือลงคิดฝรั่งว่าม า, ม า, มาใหม่ๆนี้ยังพูดภาษาไทยไม่ได้แค่นี้ก็ก็พอเข้าใจฮนะ แต่ว่าความหมายเนะี่ยมันก็ยังไม่เห็นนะแต่พอเข้าใจความหมายทางภาษาว่าเห็นทุกข์ก็ไม่ทุกข์มันเป็นยังไงนะเห็นทุกข์แต่ไม่ทุกข์จะไม่ทุกข์ในขณะที่เราเห็นทุกข์ตามความเป็นจริงเราก็ไม่ทุกข์ ที่เราเป็นทุกข์เพราะเราไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นทุกข์นั้นไม่ใช่ว่าแค่ะละหูละตาต่อความทุกข์อย่างเดียวกลบเกลื่อนความทุกข์ปฏิเสธว่าฉันไม่มีความทุกข์อะไรเลยอันนั้นก็อย่างหนึ่งเรียกว่าเต็มที่เลยนะ ฉันไม่มีปัญหานี่คำพูดของคนโง่ไม่รู้เรื่องมีมีปัญหาทั้งนั้นน่ะเป็นใจว่าเรายอมรับหรือไม่ยอมรับเท่านั้นเองตัวนี้กลายเป็นกลายเป็นคำทักทาง ส, สีเรื่องกันว่าคนเข้าวัด ว่าของภาวพาะพอมีปัญหาเหมือนกับคนอื่นที่ไม่ภาวะเขาไม่มีปัญหามีทั้งนั้นแต่ทาไมคนมีปัญหาแล้วไปกินเหล้าเมายาเขาก็ไม่ว่าแต่คนมีปัญหาแล้วก็ไปหาคําการแก้ปัญหาโดยสินสมาธิปัญญาก็ขุดถูกเขาว่า อันนี้คือความวิพลาชของสังคมไทยในสมัยปัจจุบันแตนเราก็มีปัญหาทั้งนั้นคือการพัฒนาปัญญาของคนนะเริ่มต้นโดยความความคิดแบบโง่ๆว่าฉันไม่มีปัญหาขั้นที่สองก็คือฉันมีปัญหา ขั้นที่สามก็คือฉันคือปัญหานะไม่ใช่ว่าฉันมีปัญหาฉันมีปัญหาอะไรเลยลวยังไม่เห็นทุกข์ยังไม่เห็นทุกข์ เ, กเพราะเขายังมีคำว่าฉันการที่เราเห็นว่าตัวฉันนี่แหละตัวปัญหาอ่านี่แหละ จะเริ่มตับความทุกข์ได้แล้วถ้าเราเห็นว่าเราเป็นเจ้าของความทุกข์ไม่ได้เลยว่ากำหนดรู้ทุกข์เพราะทุกข์ไม่มีเจ้าของและการสร้างตัวเจ้าของและการยึดมั่นทือมั่นว่ามีเจ้าของที่เป็นทุกข์นี่แหละเป็นตัวปัญหา ท่านกำหนดรู้ทุกก็เห็นภาวะหรือสภาวะเห็นความทุกข์ล้วนๆอย่าให้มีอัตตาตัวตนอย่าให้มีเรามีเขาอย่าให้มีความยึดปั้นถือมัน่นในความหมายของอัตตาเข้าไปแอบแฝง มันจะทำให้การพิจารณาปิดเบือนไปไม่ตรงตามความเป็นจริงเมื่อเห็นความทุกข์ว่ามันเป็นธรรมชาติของจิตที่ประกอบด้วยอวิชชาและตัณหาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ของใคร ในขณะที่เราเห็นความทุกข์ตามความเป็นจริงก็ไม่เป็นทุกข์นะฉะนั้นในการประพฤติปฏิบัติตันลักคำสั่งสอนพุทธองค์เราตั้ ง, ง, งท่าที่ไว้ใหม่ เราจะไม่หนีจากความทุกข์เราจะไม่หลับหูหลับตาต่อความทุกข์เราจะไม่ปฏิเสธความทุกข์เราจะไม่ถือกรรมสิทธิ์ในความทุกข์ว่าเป็นของเราแต่เราจะดูความทุกข์เราจะเรียนรู้จากความทุกข์ ท่านลุงพ่อของเราท่านก็ย่ำหนักย่ำหนาในเรื่องนี้ว่าต้องเห็นทุกข์ก่อนมันจึงจะละทุกข์ได้ยังไม่เห็นมันยังไม่เผชิญหน้ากับความทุกข์แล้วจะละมันได้อย่างไรหนีไปที่ไหนมันก็หนีไม่พ้น บางคนก็ยังใช้สมาธิภาวนานีความทุกข์ก็ยังมีมานั่งสมาธิภาวนาเพื่อจะไม่ต้องคิดอะไรเป็นทุกข์ไม่อยากเป็นทุกข์เลยเอาสมาธิไป ข่มความทุกข์เอาไว้ก็ทำได้เหมือนกันแต่ไม่ใช่การพ้นนะแล้วนานๆนไปเราไม่ขยันหรือว่ามีเกิดมีเหตุขัดข้องสมาธิเสื่อมความทุกข์ก็กลับ ก, กาเริบได้เพราะสมาธิก็มีหน้าที่ขม่มมีหน้าที่ สำรวมหรือมีนาทีควบคุมเท่านั้นเองและการที่จะปล่อยทุกได้เรามาดูมันสมาธิก็มีอา น, นิสงส์และมีประโยชน์แล้วมีความจำเป็นในการที่ทำให้จิตใจมีพลัง มีความมั่นคงพอที่จะดูความทุกได้สมาธิทำให้เราเป็นสุขแล้วจิตใจที่เป็นสุขเท่านั้นที่กำหนดรู้ความทุกได้อันนี้ก็ตลกดีนะถ้าไม่มีถ้าไม่มีความสุขมันดูทุกไม่ได้พอจิตใจวันไหวกลัวรังเกียจ ที่ใจมีความสุขกล้ากล้าดูอ้ความทุกข์มันเป็นอย่างนี้เมื่อเราเห็นว่าไม่มีสังขารอันใดไม่ว่าจะเป็นวัตถุธรรมก็ตามเป็นนามธรรมก็ได้ก็ตาม ที่จะระ ง, งับความทุกข์ของเราอย่างสิ้นเชิงได้ที่จะจะน้อมไปเพื่อสิ่งที่ทา่านว่าวิสังขารเราจะเบื่อนายในสิ่งที่เป็นสังขารเราจะน้อมไปเพื่อวิสังขารเมื่อเราพิจารณาชีวิตของตัวเองด้วยใจที่เป็นกลาง เราจะรู้สึกว่เหมือนเป็นนกอยู่ในกรงคนจนก็เหมือนก็อยู่นกอยู่นี่กรงเหล็กเกิดสนิมคนรวยเหมือนกับนกอยู่ในกรงทองคำถ้ากรงก็กรงนะกรงทองคำก็กรงเหล็กกรงพลาสติก ลองอะไรมันก็ยังเป็นกรงอยู่ดีสำหรับนกนี่มันมันก็ยังอืดอาดพอๆกันนะนกที่เป็นที่รู้ตัวเองว่าเป็นนกไม่พอใจโลกกับนกที่ทำโดยทองคำไ ม, ไม่ภูมิใจอะไรนะ แต่สูงมากพวกเราที่เป็นนกเป็นนกเขาเป็นลงเข้าใจว่าเราเป็นไก่มั่วแต่คุยค้ยเขีอยวอยู่ทั้งวันไม่เคยคิดที่จะใช้ปีกของต่เองก็เลยเหมือนกับนกอมมาพาดโดยเป็นไก่เหมือนกับนกอินทรี เป็นโรคจิตคิดว่าเป็นไก่แังนศาสนาธรรมเหมือนกับเป็นสิ่งที่ทำให้นอกอินทรีรู้ตัวว่าเป็นนอกอินทรีไม่ใช่ไก่นอกอินทรีคิดว่าตัวเองเป็นไก่นี่ว่าเสียเกียรติเลยเสียชาติเกิดเป็นนอกอินทรี กาเมื่อพอเรารู้ตัวว่าเราเป็นนกแล้วรู้ว่าเราเป็นนกกินสีแล้วมันก็อยากจะเป็นอิสระมันอยากจะปีนบนบนฟ้ามั่งมันรู้สึกไม่อยากอยู่อย่างนี้ถ้าถึงจุดนี้แล้วเรื่องเรื่องเรื่องกาลังใจที่จะปฏิบัติไม่ต้องสงสัยมาเอง ไม่ต้องปังคับหรอกปังก็สมันเสมอของมันเองเพราะมันทนไม่ได้ที่จะเสียเวลากับการหาความสุขกับสิ่งที่ให้ความสุขแก่เราไม่ได้ฉะนั้นคนในโลกนี้ทุกคนทั้งหพันล้านคนล้วนแต่ต้องการความสุขทท่านั้น ยิงแต่ว่าน้อยคนที่มีบุญที่ได้รับฟังคําสั่งสอนของพระพุทธองค์ที่ได้ทราบว่าความสุขคืออะไรทุกคนในโลกล้วนแต่ต้องการความสุขแต่เกือบทุกคนในโลกล้วนแต่เจอแต่ความทุกข์ ฉันเราไม่ต้องปกเลือกระหว่างคนดีคนชั่วหรอกมันเป็นเรื่องคนฉลาดกับคนไม่ฉลาดมากกว่ามันเป็นเรื่องคนรู้กับคนไม่รู้คนไม่รู้ก็เห็นสิ่งที่ไม่มีเกณฑ์สารสาระว่ามีเกณฑ์สารสาระ แล้วก็มองสิ่งที่มีเกณฑ์สารสาระว่าไม่มีเกณฑ์สารสาระดนั้นคนที่คนในลักษณะนี้ก็สนใจแต่เรื่องธรรมะหากินเรื่องการสะสมวัตถุสนใจแต่ในเรื่องทางโลกเราเห็นว่าศาสนาเรื่องงมงาย ความคิดว่าความสุขอยู่ที่การมีเงินมากๆมีวัตถุมากๆนั่นเขาไม่เห็นว่างมงายเขาเห็นว่าฉลาดคําสองของประศาสนาที่สอนว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ในจิตใจที่เป็นอิสระจากความยึดมั่นถือมัน่น ในสิ่งทั้งหลายว่าเราว่าของเราเขากลับหาว่างมงายเหมือนคนมองตามเป็นขาวขาวเป็นดำไปเลยฉะนั้นคนไม่ไม่เขาวัดนั่นแหละเป็นโผก่งมงายแล้วเขาไม่มีทางที่จะ พ้นจากความงมงายนอกจากที่ว่าเข้ากล้าดูความทุกข์ของตัวเองเคยมีใครมาปรึกษาตามมาว่ามีเพื่อนที่ว่าฉลาดมากแต่ว่าไม่ยอมรับคำสอน พ, พุทธศาสนาจะทำยังไงดีตามมาบอกว่าไม่ยากหรอก มีวิธีการแต่ เ, าเขาคมไม่ยอมให้เข า, เาพาเขาไปนั่งคนเดียวอยู่ในห้องห้องหนึ่งซึ่งไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรเลยไม่มีทีวีไม่มีวิทยุไม่มีหนังสือไม่มีอะไรเลยแต่ให้เขานั่งอยู่กับตัวเองสักสามสี่ชั่วโมง ห้ามนอนห้ามหลับห้ามพูดคุยห้ามอ่านหนังสือห้ามดูทีวีห้ามทำอะไรทั้งสิ้นแต่ให้อยู่กับตัวเองมันจะเป็นยังไงไหมถ้ามาหลับหลองว่าเขาจะต้องเห็นว่าการอยู่กับตัวเองโดยไม่มีเรื่องไม่มีอารมณ์ไม่มี สิ่งนาตื่นเต้นหรือนาสนุกสนานไม่สนุกเลยเป็นทุกข์ถ้าพวกเราไม่เห็นความทุกข์ไม่สนใจในเรื่องความทุกข์ไม่ศึกษาในเรื่องความทุกข์ความตั้งใจหรือศรัทธาในการพัฒนาตัวเองจะไม่เกิด หรือถ้าเกิดขึ้นแล้วมันจะไม่มั่นคง อ, อาจจะทำอาจจะเข้าวัดหรืออาจจะทำอะไรแบบหลอกๆแหละๆหลแต่การที่เราจะได้ผลจริงจังในการปฏิบัติก็ต้องทำจริงๆ จ, จังจังนะจ้ต้องเอาเป็นเอาตายหน่อย แต่พกแล้วเนี่เรื่องเอาเป็นเอาตายไม่ค่อยจะมีแต่มีแต่ทําแบบสังกตตายมากกว่าอ้นี้เรียกว่าตายเปล่านะสังกตตายนี่มันตายเปล่าเอาจริงเอาจังหน่อยฟื้นความอยากของตัวเองมันจะเป็นยังไงไหมในพกแล้วมีต่หลอกตัวเองไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวใครบอกอย่างนั้นฮะไม่ใช่ ไม่ใช่ตัวมารเหรอไม่ใช่พระพุทธเจ้าแน่ๆนะพระพุทธเจ้าคูา้บาจามีแต่บอกว่าไหวไหวไหวแต่มีแต่มีแต่ ม, แตมารมีแต่กิเลส ท, นะที่มันสงสารเราเหลือเกินมีความทุกข์อะไรดิดเตียวไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว แล้วทำไมเราเชื่อแล้วเกินทำไมเราศรัทธาแล้วเกินในคำคำพูดอย่างนี้ดังกิเลสมากระสิบในหูแล้วก็เฮ้ย <Hey. S 1> ไม่เอาด้วย ไ, ไปสนใจมันเลยมันก็ต้องเด็ดขาดสัหน่อยนะ มันจะไปอลุมอารมยมันจะไปเอาใจเหมือนมากไม่ได้ให้เราเมตตาสัพเพสัตทั้งหลายแต่อย่าไปเมตากิเลสของตัวเองนะมนเมตตาไม่ถูกที่ทุกมันเป็นยังไงฮะกำหนดรู้โอ้ทุกมันเป็นอย่างนี้มันเกิดอย่างนี้ เมื่อมันทุกทกทางใจเราก็รู้ได้เลยว่าเดี๋ยวนี้เรากำลังคิดผิดอยู่เรากำลังมีตัณหาอยู่หามาดูต่อว่ากำลังอยากอะไรบ้างทำไมมันรู้สึกอึดอัดคัดข้องวาวุ่นคุณมบววุว่นวายรู้สักกระทบามขอือนนะทำไมะ มันกำลังอยากอะไรอยู่ไหมมันก็ต้องอยากมันก็ต้องมีตัณหาไม่อย่างนั้นมันก็ไม่รู้สึกอย่างนี้ถ้าไม่อยากแล้วมันก็ไม่มีอะไระรูปก็แค่รูปเวทนาแค่เวทนาเท่านั้นเองสัญญาก็แค่สัญญาสังขารก็แค่สังขารวิญญาณก็แค่วิญญาณแต่เราชอบปรงแต่ง เรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่มันก็ปานปลายไปเรื่อยๆปัญหาเท่าจอมปลวกก็เป็นปัญหาเท่าภูเขาเอเวอเรสต์เรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่และเรื่องใหญ่เรื่องที่คุณปรับปรุงแก้ไขอย่างรีบด่วนก็กลับมองเห็นว่าเป็นเรื่องเล็ก โอ้ทำไมเราโง่อย่างเงี้ยเรื่องที่ควรแก้ไขก็ไม่แก้ไขควรที่ไม่ควรแก้ไขก็ไปนั่งวิตกกังวลทั้งทั้งวันทั้งคืนว่าทำยังไงเราจึงจะ แ, แก้เรื่องนี้ได้ ถ้าจิตใจมาอยังเชื่ออารมณ์ตัวเองยังเชื่อความคิดของตัวเองมันจัดลำดับของเรื่องไม่ไม่ไม่เป็นนะฮะว่าเรื่องไหนสำคัญเรื่องไหนไม่สำคัญเรื่องไหนควรทำก่อนเรื่องไหนควรทำหลังไม่ได้มันจะเป็นไปตามความรู้สึกมากกว่าแต่ความรู้สึกบ็นเองหลอกลวง นักปราดข้อจำกัดความของนะคําว่านักปราดว่านักปราดผู้มีปัญญาเคปูที่ไม่เชื่อความคิดของตัวเองนี่ทางเสียหายนะเชื่อความคิดของตัวเองว่าเป็นอย่างนี้จริงๆเรานี่แหละทุกที่สุด แล้วคนนึ่นแหละผิดถนัดมีแต่เราคนเดียวถูกคนอื่นเขาก็ไม่รู้หรอกคนอื่นเขาไม่เข้าใจเราหรอกเขาว่าเราผิดเขาไม่รู้หรอกเราเท่านั้นที่รู้นี่ไม่ใช่ลักษณะของบัณฑิตเป็นลักษณะของผาน การคอให้เราบริกรรมคำศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อไว้เรื่อยๆมันไม่แน่หรอกขนาดจะผิดก็ได้ขนาดจะผิดก็ได้ขนาดจะผิดก็ได้บริกรรมไว้อย่างนี้เรื่อยๆเมื่อเรารู้สึกว่าเราใช่เราแน่เราถูกนี่แหละตรงบริกรรมไม่แน่หรอกเราอาจจะผิดก็ได้ มันก็เป็นแค่มุมมองเท่านั้นเองเราก็เคยผิดมาแล้วใช่ไหมจำไว้นะถ้าเราเคยโง่งโงนะถ้าเราเคยแน่ใจเหลือเกินว่าเป็นอย่างนี้ใครจะไปคัดค้านใครจะไปบอกอะไรไม่ยอมฟังต่อมาโอ้แหมไข่หน้าเลยไม่ไม่เป็นอย่างที่เราคิดเลย จำไว้นะจำไว้ให้แม่นและต่อมาคิดแน่ใจในเรื่องไหนให้มันจำความแน่ใจในครั้งก่อนที่ว่าเราเคยแน่ใจในสิ่งที่ไม่แน่เราเคยมั่นใจในสิ่งที่ไม่กวมั่นใจเราเคยผิดพลาดมาแล้วทำไมครั้งนี้เราจะผิดพลาดไม่ได้มันก็ได้เหมือนกัน น, นี่จิตใจของเราจะยึดยูนจิตใจของเราก็สามารถปรับให้เข้ากับเหตุการณ์กับสถานการณ์ได้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่เอาศักดิ์ศรีของเรามาติดอยู่กับความคิดเห็นที่นี้ก็แย่เหมือนกันเอาเอาตัวเราไปผูกพันอยู่กับความคิดเห็น เมื่อใครมาขัดข้านเอาก็ลับไม่ได้เพราะไม่ใช่แค่ความคิดเห็นที่จะต้องปล่อยวางรู้สึกเหมือนก็ต้องอเสียหน้าไปด้วยและคนทั่วไปไม่เสียดายทมไม่เสียดายสัจจะเท่ากับเสียดายหน้าของตัวเอง เสียสัจจะก็เสียหน้าในเสียเสียสัจจะเกือบทุกครั้งไปดีกว่าเสียสัจจะแล้วอาจจะไม่มีใครรู้เอาคิดอย่างนั้นแต่เสียหน้านี้เขารู้หมดเอาหน้าเอาตาว่าสำคัญกว่าใจอันนี้ก็คือวัตถุนิยมอย่างหนึ่งเหมือนกัน นี่ก็เป็นปัญหาในสังคมเราเหมือนกันเมืองไทยจะเสียหายยังไงก็ไม่ว่าแต่ขออย่าให้เสียภาพพจน์ก็แล้วกันความจริงจะจะเป็นยังไงก็ไม่ว่าแต่ขอให้เรารักษาภาพรักภาพพจน์ไว้ ก็ใช้ได้นี่อย่าไปเอาความคิดอย่าไปเอาทัศนะอย่าเพีเอาคนอื่นเป็นหลักแต่เอาธรรมะเป็นเครื่องตัดสินให้เราเป็นคนอุชุอ น, นีว่าอุชุปฏิปันโนตรง ตรงต่อความชิงตรงต่อธรรมะตรงต่อธรรมะอาจจะเพี้ยนจากคานิยมของคนอื่นก็ได้เพราะในสังคมที่ผิดปกติคนปกติกลายเป็นคนเพี้ยน การขนผิดปกติหาว่าเราเพียนเราก็ควรจะภูมิใจแสดงว่าเราก็คงจะตรงต่อธรรมใช่แล้วได้แล้วส่าพวกเราทั้งหลายที่มีศรัทธา ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้เราทุกคนตั้งอกตั้งใจเพราะว่าพระพุทธศาสนาของเราจะอยู่ได้ก็เพราะการประพฤติปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนเราทุกคนมีส่วนในการเสดบต่ออายุของพระศาสนา ไม่ใช่หน้าที่ของนักบวชอย่างเดียวเป็นหน้าที่ของทุกทุกคนที่มีศรัทธาที่นับถือพระพุทธศาสนาสังคมพุทธต้องประกอบด้วยนักบวชชายนักบวชหญิงอุปาสสปสิกาในว่าบริษัทสี่ไม่ใช่พระสงฆ์เราไม่ใช่เจ้าของศาสนานะ และทุกคนมีโอกาสที่จะให้อะไรไว้กับศาสนาที่จะตอบแทนบุญคุณของอพระพุทธประธรรมประสงค์เพื่อตัวเองด้วยเพื่ อ, อสังคมเราด้วยเพื่อสัตว์ทั้งหลายทั้งปงด้วยและเพื่ออนุชนรุ่นหลังเพื่อคนที่ยังไม่เกิดด้วย แล้วให้ธรรมะที่เราได้ปฏิบัติให้ปรากฏในกายวาจาของเราให้ได้การเผยแพร่ธรรมะไม่ต้องไปเทศให้ใครฟังหรอกและแถ้าเราเป็นคนศัตษ์สุจริตเป็นคนมั่นคงอยู่ในความดี เป็นคนเมตตากรุณาไม่โลภไม่โกรธไม่หลงรู้ัจปลอยวางอารมณ์ตัวเองคนอื่นเขาเขาเห็นแล้วนะเขาเขาก็รู้สึกเย็นเขารู้สึกอยากเข้าใกล้เขาก็รู้สึกว่าเราน่ารักน่าคบเป็นเพื่อน เป็นที่ไหว้วางใจนี่แหลคือการเผยแพร่ธรรมะอย่าไปให้ความสำคัญกับภาษาคำพูดมากเกินไปมันไม่ได้อยู่ที่คำพูดเท่าไรหรอกมันอยู่ที่คุณภาพ ของผู้พูดมากกว่าเรือว่าอยู่ที่คุณธรรมของผู้พูดมากกว่าคำพูดของลุงพอชาประโยคเดียวถึงใจอยู่ในใจของเราอยู่ตลอดชีวิต3 0 4สสปีก็ยังจำแม่นเลยแต่นักพูดพูดเก่งพูดชัดฉานพูด โอ้โ oh, หน่าฟังมากพูดแล้วนะ่จำไม่ได้เลยเพราะไม่ถึงใจทำไมฮะพูดไม่ดีเหรอพูดดีแต่ว่าเราไม่มันไม่ประทับใจมันมันมันเราก็มีอะไรสักอย่างอยู่ในใจที่มันมันรู้เหมือนเหมือนกันว่า ผู้พู ด, พดนี้พูดจากประสบการณ์และพูดด้วยความจำผูพ้พูดมีความหวังดีต่อเราอย่างแท้จริงเลื่องฝุ่งซ่านหรือว่าหวังอะไรสักอย่างถ้าถ้าจิตใจเราบริสุทธ มีความตั้งอกตั้งใจในการฝึกฝนอบรมดามลักคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าการกระทำของเราการพูดของเรามันมีน้ำหนักมันศักดิ์สิทธิ์นี่แหละเราก็ได้บุญ พระพองค์จึงสอนว่าประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ต้องแยกออกจากกันไม่แยกออกจากกันไม่ได้แล้วสร้างประโยชน์ตอนอย่างแท้จริงก็คือการสร้างประโยชน์แก่คนรอบข้างและแก่สัตว์สัตว์ทั้งหลายอยู่ พ, พร้อมๆกันถ้าเรามุ่งสร้างประโยชน์แก่คนอื่นด้วยเจตนานดีและปัญญา เราก็ยอมนีผอมดีต่อตัวเองอันนี้ต้องได้ทั้งสองอย่างนะเจตนาบริสุทธิ์หนึ่งกับปัญญาหนึ่งถ้าเจตนาดีเราก็ยังรับรองตัวเองไม่ได้อาจจะทำอะไรผิดการผิดเวลาก็ได้ทำไม่ถูกบุคคลไม่ถูกบริษัทก็ได้ ด้ตัวปัญญานี่สสำคัญที่สุดบางคนเนี่ยเจตนาดีแ้่ทำอะไรไม่ถูกการไม่ถูกเวลาไม่ถูกบุคคลเม่เสร็จแล้วก็ผลที่ออกมาไม่เป็นอย่างที่คิดผิดหวงังรูสร้สึกท้อถอยเสียใจแม้เราก็ปริ ใจเราบริสุทธิ์เจตนาเราดีทำให้มันออกมาอย่างนี้ตอบได้เลยนะขาดปัญญามันต้องต้องมีทั้งสองอย่างเจตนาดีด้วยปัญญาด้วยเราจึงจะเป็นผู้ที่สามารถสร้างประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์และสร้างประโยชน์แก่ตัวเอง ในวันนี้บเป็นวันที่เราฉลองการประสูมการสรู้การเสด็จพระนิภาม พ, พุทธองค์ขอให้เราภาคภูมิใจในบุญของตัวเองที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ที่ได้เกิดมีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมแล้วเมื่อเรามีบุญทัศนดีแล้วขอให้มันทําให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไป สิ่งใดที่เรายังไม่รู้ยังไม่เข้าใจก็พยายามคิดพยายามพิจารณาพยายามทำให้ได้รู้ได้เข้าใจสิ่งที่ได้รู้ได้เข้าใจแล้วก็ทำให้ความรู้ของความเข้าใจของเรายิ่งลึกกว่านี้ให้มันถึงที่สุดของที่สุดเพื่อเป็นการปุชา พระพุทธเจ้าของเราอย่างแท้จริงพระพุทธองค์บอกว่าเรื่องอมีสปูชาท่านก็ไม่สนใจเท่าไหร่แต่ที่ท่านภาคภูมิใจที่สุดก็ที่พระพุทธองค์ทรงพอพระทัยมากที่สุดเพื่อผู้ที่ฝืนกิเลสผู้ที่ชนะกิเลสผู้ที่ชำระสันดานชำระกายชำระวาจา ชำระใจกองตนนี่อย่างนี้ฮะถ้าเรามีการพยายามยานี้เราก็กล้าเรียกตัวเองว่าเป็นสากยญาุตรเป็นสากยาธิดาเราก็เป็นผู้หนึ่งในการสรืบต่ออายุของพระศาสนา เาละ ว, วันนี้ก็ได้แสดงธรรมพอสมควรเก็บเวลาก็ยุธิลองพียงเคนี้เวัง